มั่นใจนะมั่นใจในการปฏิบัติทรรมม่นใจในการกระทาชีวิตเองสร้างสรรได้เลือกได้ไม่ใช่รอดจาก ยอมอะไรทุกอย่างในชีวิตของเราเนี่ยมันมีอะไรให้เราเลือกได้ดีๆได้สิทธิ์ท่รอยเปเร็นมันหลงก็มีมสิิีไม่หลงมันทุกข์ก็มีมสิิีไม่ทุกข์มันโกรธก็ ม, มีสิทิีไม่โกรธแค่สิิของตอนเห้ได้ยาง มั่นใจมั่นใจเลือกได้มันใช่ว่าเพือกอะไรไม่ได้ตามเป็นตามกรรมบนวาสนาทแข่งขันกันได้เพราะบางคนต่างทำหัวเอนว่าทิศเสียนลงไป ทางกายทางใจของเราเอาคนไปดีเขียนลงไปบันทึกลงไปรงกายรงใจเรานี่แล้วก็มีความพร้อมบัตชนะคือมีความพร้อมปรามีคือมีความพร้อมก็มันทําไปแล้วมันเราได้สวดของคนลาสูตรการเป็นผู้มีความพร้อมไมก่อน เป็นผู้มี้ำคาบุญไว้ก่อนมันก็ได้ใช่มีความดีที่สร้างวัฒนธรรมใจมันก็ได้ใช่ความดีไม่ใช่จะขู่จะคิดไปมันเลือกได้ปฏิเด็นการมเนี่ยคือมาเลือกมาเลือกมันเห็นให้เราเลือกนะสิ่ไหน ที่จาะเป็นประโยชน์เป็นความคิดความคิดเวลาเรามีสติมักจกเห็นไม่มีตรงไหนติดบังนลัานลึกซึ่งไม่ใช่รี่นะทำใหม่ความโกดความร้อนมาแบบโอนุเหมือนจุงเข้าสุกสวน มันก็จับได้เห็นได้ง่ายับไม่ลีกเกิดขึ้ในกับใครก็รอพรู้ได้จริงไม่ต้องมีคํำถามเราหลงหรือเปล่าเราโกรธหรือเปล่าเราทุกข์หรือเปล่าไม่ตอมีะครถามเป็นการเห็นด้ว ย, วยตวเนเองเมือ่อเราสวดที่สูต การไม่คบคนพาการครบบัณฑิตคนพาลคืออะไรในตัวนอกตัวมีเทางาน้าถ้าเราครบคนพาลในตัวมันก็ต่อไปคบคนพาลนอกตัวได้บุญไปต่อบุญบาปไปต่อบาปเั้นเน็นชีวิตของคนโอ้ ช่วงชั่วนับเรงเล่านับเ็งการพนานนับเรงทุกคนชั่ว เ, เปียกคลานก็เป็นกลุ่มหนึ่งแต่แม้ในวัาเป็นบาปกระโจบาปเป็นกลุ่มองเขาเหมือนไปนอยู่ไปขึ้นรถที่สถานี ก็ไฟหัวหลอทองพวกกลุ่มที่ติดิดกิด่นติดกาวมักจะไป น, นั่งอยู่ใกล้ห้องน้ำจะนั่งที่ื่นไม่ได้เพราะเขาชอบกลิ่นอยู่สมกินเหม้นเหม็นแ้าพวกที่ไม่ติดไม่มีคนใดก็เพราะมันชอบไปนั่งในห้องน้าไปชอบในห้องอ ในห้องที่มีบรรยากาศมันก็ต่างกันมันก็ต่อองกันบันดิตก็ต้องอยู่ในกลุ่มบันดิตคนธรรมก็ต้องอยู่ในกลุ่มคมบาก็ต้องไปตกนรกวนก็ต้องไปสุขสุขสุขกัติกเจรสุดยอดเดือดแต่ที่ว่า บนวาสนาบาลามีถ้าเรามีสติมากมากมันก็เรามีทัพย์มากมาในความรู้สึกตัวมากมากมันก็มีทรัพย์มาก ม, มากในทรัพ y ์มากมมาก็เลือกได้เราที่มันได้ดีกว่าคนที่มีัย์ น, น้อยเลือกได้ง่ายไม่ยากไม่เกียว แ ต, ถต่ถ้ามีสบหน่อยๆเด็กมาไดทำดีได้ยากทาชั่วยดง่ายถ้ามีสติมากๆทำดีได้ง่ายทำชั่วได้ยากทำามาได้เด็กขาดมันมันง่ายกว่าแม่แต่คนโกรธบางวนก็อกไม่ได้<ม>ทนไม่ได้<ม>ส า, ารอะไรควมโกรธ นดเดียว <c oughs> มันไม่ถูกต้องว่าไม่ปวดมันถูกต้องมันง่ายที่สุดเลยจะให้หลงมาถูกต้องจะใหทุกไม่ถูกต้องมันง่ายสะดวกที่ไม่เป็นอะไรหรือมิดไม่ต้องเป็นอะไรสิ่งที่มันเป็นอะไรก็เราทราบมันขึ้นมบเราทำอะไ้มันเป็นขึ้นมา โกรธก็สร้างขึ้นมาเองทุกคนสร้างขึ้นมาเองชีวิตมันไม่เป็น ia, อะไรในเดิมมันไม่เป็นอะไรจิตใจก็บริสุทธิ์อยู่เสมอมันซุกสนมาเปิด anyway. เพื่อน <Columbus> เอาอะไรมาไม่มีไม่รู e. ้จักรักษาไม่รู้จักปฏิบัติตัวเองเพราไม่รู้เพราะไม่รู้ปล่อยใจเพราะไม่รู้ก่าปลย รูรกไม่ไปเท่าไหรอยู่ที่เดียวคือไม่เป็นอะไรอย <c oughs> ากาท่บ้ า, า, านนะั้เกิดจากอนะไิจาพอวิชาพรมลู้ถ้ามีพรมูกก็เหมือนป่าคือ ท, ที่เป็นป่าเถือนก็มีป่าก็ามีเสือดุมีสับน้าย ในชีวิตตอนนี้ก็เหมือนกันมีอวิชชาก็ต้องมีอะไรอยู่ที่นั่นเยอะแยะไปหมดเลยไม่รู้วิชชาก็เกิดสังขานสังขานเกิดงามรู้งามรู้กเกิดอายตระอายตร ะ, ะเกิดผัดสับขอเล่าขอไล่ให้สุดเทนะ่าให้่ไม่ใช่ไมเนี่ผัดสับเกิดมีที่ไหน เพทนาเกิดสังขารสังขาเกิดอุปทานอุปทานเกิดภพเกิดชาติภพชาติเกิดเชื้อราวุรณะเชื้ราบุรณะเกิดแก่เจิดตายโศกเกิดที่วิาทุกข์เกิดดับเกิดดับเกิดดับนี่คือมันไปตลอดหรือว่าอวิชชาไม่รู้มันตั้งต้นจะรู้จะหลงชีวิตของเราเนี่ยส่วนวิชา ก็มไม่มีไม่มีสังขารดับวิญญาณดับไปยตน้ดับักสดับเบทนาดับความหาดับคววิชาดับชาติจะลำม่ลสูกว่าไเทวทุกไม่มีเพราะมีวิชาบ่มาเปิดฝัดทำเจอต้องดีเลยสันตอตัวรู้ตัวห ล, ลงไม่นอนที่สุดไม่ต้องรู้ข่ควไม่ยมรู้ไม่ทิง อะไรกก็มีในการจริงๆอะไรทมันเกิดกับกายก็รู้จริงๆอะไรที่มันเกิดกับจิตใจก็รู้จริงๆนี่คือภาวะที่ดุภาวะที่ดุบางท่านไมมีป่าเมื่อไม่มีป่าก็มีอาชินมาอาศัยแล้วก็ไม่เป็นอะไชีวิตก็ไม่เป็นอะไรความไม่เป็นอะไรมันมีแต่เดิมอยู่แล้ สิงที่มันเป็นนนเป็ น, นีิพพโรมาสร้างขึ้นมาเราไมรูปทุกสนชีวิตทุกสนไม่มีหลักปฏิบัติธรรมไม่ีหลักมีหลักมีฐานมีหลักเลี้ยหมือนะที่วพวกเาไม่หลักฐานที่มีหลักฐานก็มั่นคง มีนักเกณฑ์มีทอมีที่ดินมีบ้านมีเือนมีทรัพย์สมบัติมีหลักฐานปรกันชีวิตตด้ถ้าคนจำนวนว่ามีหลักฐานอะไหลักฐานทางคดีปิศาลอย่างมันต้องมันจนจนหลักฐานทางสิวงหยาจะมีความทุกข์ความโกรธความโลภความง คนไม <cled live gettable noise> ่จนหลักฐานทางจีวิญญาณเขาไม่ทุกไปโกรธไม่ล่วไปหลงมันน่นหนมันมีมีไม่หลงมีไม่โกรธมีไม่ทุก็นแต่เดิมมีไม่เป็นอย่างไรแต่เดิมอยแล้วมันจึงไปเป็นได้ไม่ได้มันไม่ถูกต้องชีวิตต้องอิสระนั่นก็คืการเจตตา นี่คือชีวิตของเราได้ชีวิตมาใช้ชีวิตคือเดินนได้ยืนได้ทําำอเลยได้มาใช้ชีวิตแบบนี้ชีวิตจริงมันไม่เป็นอะไรมันได้จากชีวิตที่เดินยืนเอนโน่นมันได้ถ้ามันมีชีวิตที่ยืนเดินเอนโนนเป็นลูกทําเป็นนามทํามันก็เป็ได้ชีวิตเหมือนกับการต่ยอดจับรูกจับนาม รูปน้ํามันเกิดแก่เจ็บตายรูปน้ําเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปรูปน้ําเกิดขึ้นแล้วต้องดูดไปมีแล้วหายไปรูปน้าไม่เที่ยงเป็นตุรูปน้ำไม่ใช่ตัวตนนี่แหละเราอ๋อนี่แหละมาตอเหมือนต้นไม้ที่พันไม่ดีมาต่อยอดไปมันได้ยอดใหม่เช่นก็ไม่เที่ยงเป็นตุ ความไม่เที่ยงมันองไปทุกข์ไม่ได้เลยอย่าไปจนตน้องอิเอาความไม่เที่ยงมาไปทุกข์ทำไมเอาความไม่ทุกข์มาไปทุกข์ทำไมไม่ได้เลยทำไจะต้องยองอยู่เช่นนั้นจนตายเลยเวลาใดวไม่เทีย ง, ง, งกกเกิดขึ้นแล้วน้ำตาไหทุกเสเสียใจน้หอรงหความทาจะฝเราของเอนาใจเดุก อตเยกใหม่เช่นโคไม่เขี้ยงม่นต้องไปทุกยอดใหม่เล้ไปเจ้าต่อยอดใหม่เมื่อใดบุคนเห็นด้วยเป็นยาวว่าสังขารทางไม่เขี้ยงมวนยอมหอยๆใ้สิ่งที่เป็นชัดที่ตัวหลงนันแหลเป็นทางแห่งพระนิพานด้านเป็นทางหมดจดไป็นยอดใหม่มีหลงมีรูในยอดใหม่ มีโกรธมีไม่โกรธแตยอดใหม่มีทุกข์มีไม่ทุกข์แตยอดใหม่โตเป็นไหมตัวเนี้ยทำเป็นไหมหรือว่าเก่าก็์กัโคลที่ทก็์กันโกดทุกที่ไดเป็ทุกข์นนงเรื่องชีวิตของเราเช่นี่นะมันขีดชาร์จขีดมาเหมือรื่องของตัมันเกิดขึ้นจากการจะทำของตัวเราเองที่ที่เรา ทุกบรรกมันเฉยตัวเฉยตนอะไรมันโง่แกงขึ้นมาเป็นตัวสมขานตัวอะไรที่เกิดจากการโู่แกงมาไม่เคี่ยงเท่นั้นมาเแค่ตัวตนท่านั้นไม่ควรยึดว่าเป็นตัวเป็นตนเอาความปวดว่าเป็นตัวเป็นตนเราคงามรู้ว่าเป็นตัวเป็นตนครูได้ปวดายไปอยู่ มีชีวิตของคนคน้นไปลนไปมาเป็นมนุษย์ใจสงสุดเาเห็นถ้าเป็นเป็นคนถ้าเป็นมนุษย์เป็นผู้เห็นถ้าเห็นเป็นมนุษย์ถ้าเป็นคนคนปคนไปกัไปบเทกับขนโคง ไปสวรรค์เท่ากับเขาโขถ้าเป็นคนโผลปโผลเลาเป็นรูน้ยิไปสวรรค์ท่ากับขนโขไปในโลกเท่ากับเขาโขโขก็อยู่ที่ความเห็นมิจฉาทิิสมมเทิิอวิชชาอวิชชาตัตฑทมาปฏิบัติธรรมมาให้เราเลือกมาให้เราเลือกพกมาให้เาเลือกอา คุณวาชนะกรณีมาเลือกเราดูสิเห็นวันหลงไม่หลงหลงที่ใดไม่หลงที่นันรู้เท่ารู้ทันไม่มีทุกข์ก็ทุกข์ที่ยไม่ทุกข์ก ท, กที่นั้นน้ำย่น้ำบ่มเห็นทุกข์ที่แค่จะไม่เกิดเป็นบะพปติเจอาได้ทุกทุกตื่นเหมันทุก ทุกปรเ็น เ, เนี่ไม่ทุกปเด็เนอย่นางทุกทุู้รูู้้ตืนผู้เบิกบาเปลี่ยนน้อยเป็นดีปฏิบัติธรรมมันเป็นอย่างนี้นะเป็นโกองเป็นกลมขึ้นมาไม่ใช่ไม่ใช่งงงเจ้าส า, ส า, สามันไม่อยู่่วาวะที่รู้มือคู่แขนเข้าเหยีอดแข่งเราโคตรจริงจรอ้กาย เป็นมิตรเอ๋สัยนี่ไปก่อนเหมือนเราหัดเกิดจากเกิดนักสื่อเอ๋สัยกันโาดดูเอ๋สัยใช้เหนทักเอ๋สัยกระทนกระทาทบอก <c oughs> มันเป็นแล้วหมดก็ไม่ต้องเรียนมันมีแล้วมันเป็นแล้วทาําันเหมัอนเป็นปฏิบัติธรรมไม่ใช่ให้มันรู้ลองรู้มันใช่ก็ได้รู้ดีรู้ชั่วกันนั่น รูทุกรูสุกรูโกรดโกรดไปดีทุ ก, ก, กไป ด, ด, ไดีแล้วลูเป็นยังไงแต่เมืันยังโกรดอยู่มันยังทุกอยู่ถ้ามาปฏิบัติทำมันจะเกิดการทุกเห็นมันเห็นมันจะทำเป็นแตเปลี่ยนข้องหลงไปไม่หลงทำเป็นมาที่ไหนหลงที่ไหนไม่หลงทุกที่อยู่ได้ไหมนะไม่เกิดเจ็บโรค วมโกูที่ไหนไม่กูทุกทีวัมทุกที่ไหนไม่ทุกทุกทีไม่เกิดเจโลกอย่าง็สูดาบันก็สกิทาคามีหรือทาดาคาเมะรอบเดียวเพราะหารไม่มีแลยใช่ไหมกูว <c oughs> ีกูวยกูต้องเกิดเจ็บโลก เอาแล้วเราจะเก่งยังไงกันเนี่ยต้องตัวไขตัวมันนะให้แน่วแน่ให้มันม่ยชตเงนนะยอมชเนมันเห็นกของตัวเรามันได้แก้กรรมแก้กรรมคือแก้การกระทำการทคือการทงกายททงใจมันคิดเรื่องนั้นเลยมันไหลไปเรื่องนั้นเห เนี่ยว่าสังขารหยุดวิสังขารคือคิดนท่านั้วิสังขารที่หยุดเท่นั้นสังขารคือผูวิสังขารที่หยุดทีวิสังโลกมันเล่นแต่ความคิดึกมันเลไม่มี้จหุดจะหยุดต่อต่อคืนแต่วันกลางวันแต่เดี๋ยวกลางว่ากาวันกลางวันว่าคิดแล่นอยู่ยังไงทว่าสังขารผู้ หยุดวิจำมัะหมดรถวิญญาต้งหยุดได้คิตของเราหมดงหมดสัตว์ยนต์ตวยนต์น่าใจกราหยุดแล้ที่เวลานอนหนเรื่องคาคิดคิดนราก็ฝันจำคือตว่มฝันจำวันตุ่คิดมไดูยุดใอยเลยคิตมันยาด10ปีนี้ก็มาคิด มานั้นงมันเป็นแผ่มันลึกง่ายแต่คนปวดเขาเป็นใหญ่ๆก่เหมันกั็นอรมกหลุ่มใหญ่ลึกมากอยู่ภาคเหนือก็ยังปวดอยู่ปวอยู่ภาคอีสานไ็อยู่ภาคเหนือก็ยังปวดไปอยู่ภาคใต้ก็ยังวอยู่ภาคใต้ปวดไปอยู่ภาคเหนือกยังมันหลุมลึกเพราะมันไม่เคยถูม ไม่เคยทำ้เหมือนตื้นเหมือ น, นตื้หรือว่าเหมือ น, นไหลคิดลงไปเหมือนน้ำไหลทัทายคมคิดเหมือนน้ำไหลทั ท, ทเลสันชติเกิดขึ้นเว้นสมุทัยเป็นสังขารสติยลงไปสึสจะหมดรู้เหมือนยนสอบตายลงไปเนน้าที่ไหล ทิงลงไปกระสอบหนึ่งมันอาจจะไม่ได้ผลแต่มันไม่หนีไปไหนแต่สอบตาที่มลงไปมันอยู่ในน้านั่นแหละทิ้งลงไปทิ้งลงไปหลายรูหลายรูมากลูกมหาลูกมันจะเป็นอย่างนั้นมั่นใจตรงนี้นะมหาสติเวลามารูา้ว่าผมน้องก็น้อยลงเป็นธรรมชาติเป็นธรมนธรมดารื้อมืดต้องันมีสว่าง เราไม่ไม่มืดแสงเทีนนยนน้อยพอเห็นเด็กของลูกน้อยมันหนัมืนมากถ้ามีความรู้แสงเทียนแสงวีโอแสงอาทิตย์ดูเทียนโลกง่ายง่ายเห็นสิ่งที่ตรงข้าอยากชัดเกจนเหมือนวิจารเข็นอวิจาร อวิชาไม่เห็นวิชาต้องจึดขึ้นมาให้รูสีรูรูทุกเวลาทีรูทุกเวลาทีมันมากรูมากดูมา ก, มากููมันก็ต้องทำให้ความไม่รูหมดหมดไปได้จุดท้ายได้มันโกรธมันเกิด จ, จากความรูมันทุกเกิดจากความู้ก็ทุกเกิดเรื่ไปเลย นะทลาย ต, ตั ว, ว, ต ว, ตวนี้มันตัวใหญ่ความรู้ควาร้หลงนี่เหมือนกับมือนิ้วนิ้วกางกสูงกว่าก่อใช่ห <laughs> สูงกว่นกานิน้วกางนชี่ง้นานมันสูกถ้าหลงโก็ถ้าลทุกข์ก็ดก็ถ้าดดดดไม่หลงมันไม่ยากจับต้นขั้วะดรัน รูดเป็นได้เลยสบายทวหลงได้แล้วแล้วก็ง่ายไปง่ายไปแล้วก็ใช่ในแตบันในสภาวะ ต, ตัวรู้สาระประโยชน์เป็นแม่เป็นบิดาของธรรมบิดามาราของธรรมของกุศลธรรมต้องรวมมารวมลงอยู่ที่ความรู้สึกตัวเหมือนลอยเท่าของชาติควาไม่ประมาทคือสติอย่างนะ ลอยเท่าชางว่าย่อใหญ่กว่าลอยเท่าสัตว์อื่นเอามารวมหนูที่รอยเท่าของชางได้ทุกลอยเท่าของสัตว์อื่นที่รวมของลอยสัตว์อื่นก็ช้างรอยใหญ่ามที่ไม่รมมาตเป็นแม่ของทัง้คืนจตุจริกดูจตุริได้อยฉันบอกเนี่ยไม่ไหมพวเราทีวิทีเกิดมาถึงวันนี้ ลองรู้จากตัวกับควหนุมอะไรมันมากกว่ากันต่อไปอ่ะเดี๋มาเดินยัก็มอีกชั่วโมงนึ่งรู้ทีถ้าเรามาช้กกากี่วัิดนาทีหินนาทีก็รู้สิบนาทีมันมีอะาไหร่ินาทีก็มันจะมากเลยมันจะหลงมากไหม ที่สุดเราจะกระตือร้นเวาตถุลมมันเป็นความคิดของเรา่อยมันไหลอยู่เสมอลมมันโยนลมไปโยนลมไปมันหลงเทื่อนรู้เทนำหลงเทืู่้ทุนั้นลู้เท้าลูกทันมันก็ง้องหามไปมาได้กรปฏิบัติธรรมมันเป็นกฎเป็นกลรมยิ่งกว่าเราทํางานไม่เฉียบเราทํางานปูข้าวครึ่งปีก็ได้กิน 6พิษจน6เดือนทำ ง, งานราช ก, การเป็นหมอเป็นพยาบาเดือนหนึง่งกินได้5ตอกเทีต้องยืมอะไรมาใช้ชไปก่อนการปฏิบัติธรรมไม่เป็นยันธรร ท, ทีปัิจจสัธงรม ท, ทีพิษบนเื่อนกุูุ่นธรรมทียกอบนเึื่อนกุูุนธรรม ท, ทีวางมือลงกุรู้่นธรรมทีนี่มันปัิจจตังมันทันใจมันง้องามไปมา เมืเ่อไหรอยืเลย่พูดจริง เ, เ, เดี๋ยวนี้เวลานี่ยวิาที่นี้น่าจะขยายตัวแน่ถ้าเราเียบเท็จเราทางาเคยคิดเรนี่เหมือนกันก็แมช่คนเกิดข้าวเลเป็นคนขยันพอสมควรถ้าเกิดเป็นญาตินยเนยมื่อปฏิบัติธรรมเนี่ยเมืม่อเหมือนกับทำานเราทางานเรา ปลข้าวเราปักดํานาเกี่ยวข้าวเราเลื่อยไม้ลราสร้างบ้านลราทํางานอะไรต่างๆมันไม่จัดได้แต่ก็ตกวา่าตอนนี้จะมาเอาได้จากนั้นมันอาจจะลุกขึ้นมาให้งามแล้วสร้างควาลุกขึ้นมาเป็นช็อตไปได้ลูกขึ้นมาลุขึ้นมาเป็นงานขึ้นมาแล้วก็ขยันเนะไม่เคยเห็นควคิด ว่ามีสติเห็นความคิดโอ้มัเคยเห็นความคิดเลยแต่ตัวรูกมันมเนี่ยมันคิดทีเมื่ตั้งใจมันเคยเห็นเลยหยุดก็หยุดไม่เป็นมันคิดอีเมื่อตั้งใจพอให้าหาาหารับปลายทางปลายปวดปลายชอบปล า, ายไม่ชอบโอ้มันอยู่ตรงนี้เลยเนี่ยรู้สึกตัวมากกว่าคิดถึงรู้สึกตัวถ้ามันไม่คิดก็รู้สึกที่ปายนี้ไปมันมีที่ตั้งก้องอยู่แล้ว เมือกับพ้อมเมือกับเตรียมพ่อมอยู่แล้วพ่อมมีสติไปในกายอะไรที่เกิดขึ้นกับกายกับใจพ้อมเจรูปก็พ่อมขึ้นพอมขึ้นพ่อมขึ้นกรรแนบหย่อมห น, อ, มนม อ, งองที่ไดรูที่ไหนมันมีแล้วที่ได้ก็หักต่อไปไม่ได้หากแตมันเป็นไปเองมันเป็นทําให้เหมือนเป็นไม่ใช่มันรูปความรูปคนเหมือนสองให้ แต่การทำเป็นเนี่ยตัวกระท้องสอนตัวเราเองไม่มีใครสอนใด้ราได้แล้วมันหลงรูปเป็นม้ยทเป็นม้ยหรือว่นหลงไปไกลแล้วแล้วมันโกรธูปเป็นม้อยทำมันตุกตูปเป็นม้อยทาเป็นไหมหรอา ง, าาาาา ท, างาทีไม่เป็นไลยให้โกรธเป็นโกรธัทงทนทีมันไม่มีทวงมีตนทำตามพวกโกรธทำตามพวกทุก ไม่ทุกก็ทำไมเต็นหมดตัวโกรธก็หมดตัวไปกับความโกรธแค่นี้ใช่สิทธิีไม่โกรธตังนั้นสิทธิีร้อยไปเสรจไม่โกรไม่ทุกข์เราก็ยอมวันไปเลยยอมแพ้บารท่านนีไม่ใช่ตัวใช่ต่อ ตาตามความทุกข์ามตาความโกรธเช้าจกเสียแกเป็นทุกข์ที่ไม่ได้มาเมื่อไห่ก็ยังอมมาอยู่ทุกข์้ามวันข้ามปืนโกรธข้ามวันข้ามปินคนยังมีแล้วไม่ได้ประโยชน์อะไรแล้วไม่เคยไม่เคยรู้จักทิฏฐาแบบนี้พอเห็นกระเสรยแต่บ่าในความหนุนก็มีความรู้ในความโกรธก็มีควไม่โกรธ ตนโสนตนเอาไว้ด้านในก้าวจากนี้นก็ไปหมดความแกก็เกิดความตายเป็นทุกข์ตรงนู้นจะทำอย่างยรก้าวแรกอยู่ที่นี่เหี่ยหลงเป็นลูกอะไรเปลี่ยนไปจากนี้เลี่ยนร้ายจะดีไปว่มามันตั้งหลักไปตรงนี้ทำลายความโกรธความรู้ความห ล, ลงไรทำลายความทุกข์ได้ อะไรก็ไปทุกข์ไปมันเกิดะเกิดแะไรเจแะอะเจตายเห็นแต่พุทธะไปเห็นมันตไม่เป็นผู้ตายมันเป็นทุกข์เห็นมันทุกข์เห็นมัปวดเป็นทุกข์เห็นน่นเดียวปล่อยแตพุทธะบูเลยปทางเลยวเลยทางปวดเลยเห็นทำงานมากการเข็นเนี่ย เป็นปัญญาเป็นย่ามทะลุทะลวงต่อเม่มีอะไรที่เจะต้องบุบเบิสเส ว, วีอีมันเป็นทางไปแล้วตัวที่เป็นทางต้องสเสวเีต้องเดินเที่ยวอยู่สมอเหมือ น, นกระทางเดินยันงคงไปเดินที่ให ม, ม, ไหม่ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องปวดไใบจอกเดินเหยียบไปโสงข้าวซ้ำ เราศสีโลกออกไปมาเป็นทางก็เลยวมองก็เป็นทางสัมผัดก็เป็นทางถ <c oughs> ้าเราได้เคยเดินแล้วไม่ต้องไม่ต้องไมตง่ต้องสร้างใหม่มปารเดินทางไปแล้วชีวิตของเราก็มีทางเดียวมัมักคือเห็นคือดูคือเห็นเห็นไม่จริงมันเป็นมักที่ยอดเยียบ ม, มากปฏิบัติัดทำ ในทานดงดเนินชีวิตด้วยวิธีดาเนินชีวิตที่ถูกต้องแม่ยอมเช็เก้นเหมกะแก่การใช้การใช้การชีวิตอเหมกแก่การไปโพ่คนแม่คนเป็นคู่แบียกมีธรรมะน่ากรัพรลุกพฤตธรรมที่มีเลคนจะเป็นใครก็ตามที่มีธรรมะน้ากรัวกันทั้งนเพราะไม่มีคิดมีใเพิ่งป๋าเฉยได้ ไม่มาแต่ผู้คนยุคกันใดต่อจานั้นจึงตอหม่อมาชาติมไว้โอกพึ่งได้เน่ะนั้นรรถ้าเป็นถ้ามีทําในคนหรอกคนให้ทำพึ่งกัได้เวลานี้เมต่เราขอพึ่งเราไม่ได้พึ่งใจไว่ได้ไม่มั่นใจตัวเองคุ้มาคุมดีและใครจะต้อ ไ, ได้ บางท่านในโลกมีเงียมีมกลัวมีขี้มีน้มีเพื่อนมีมิตรทางโลกก่อนสวามรากใจกันข้ากันนะมีในโลกเลยทำไมยิ่งเป็นอย่างนั้นน่าเสียดายเลยต้องข้ามก่ตาจอยู่ลอ้ไปต้องไปต้องแบกไปทุกข์ทุกข์กันอยู่เล้าหายใจเข้าหายใจออกต้องกินต้องกัดต้องขลายต้องหลับต้องนอนต้ยเจ็บเจ็ตาย จะทำใกนการเดือดร้อนไปทุกข์ทรมายย์มาช่วยกันเออหมดลำต้นแต่เราเนี่ยก่อนก็เราไม่อห็นเดียวกันนะกอะรู้วันเดียวกันแล้วผมก็เป็นการละย่าในในคนคนเดียวหนึ่งสามีเป็นสามีสามีเป็นเพื่อนสามีเป็นพี่สามีเป็นน้องสามีเป็นพ่อ ปัญญาเป็นปัญญาปัญญาเป็นเพื่อนปัญญาเป็นพี่ปัญญาเป็นน้องปัญญาเป็นแม่มีได้ในคนคนเดียวมันมันแน่นหนามันย่งลากลงไปมันกิ้งกันไม่ได้มองเราชนันเหมือนจะเหมือนสัญญามองเราชนันเหมือนเพื่อนปัญญาิตร ด, ดูเลยกันเด็กเพื่อนกลาะเอาโมสู้ ด้วยการเหมือนหัวเทียนเกียดกันเพื่อกันัยาเหมือนน้องสาวบางทีก็เป็นน้องมองแบบน้องก็เราดีกับเขาเขาเจ็เราดีเรารูกับที่ไม่รู้เหมือนน้องก็หลอกคนไหนที่หลงน่าสงสารเขาหลงเขาต้องทําะไรติดภาดพูดติดขัเหมือนน้องพูดง้ายก็หลอกเราเป็นที่เราทำสวยก ัญญาเหมือนพี่เมือี่เราก็ดูแลเราเราก็อาจจะไม่มีคนทำมากกว่าเขาเพราะเขาลงเหมนกับที่ปัญญาแม่มาที่ผมเช็ดขี้เช็ดยิวให้ใช่ไหมน่ไหมปัญญาเช็ดขี้เช็ดยิวมีไหมเฮอยหลังจากที่เป็นนี่เป็นนี่เพื่อนอยู่วัดป่าสุกรโตเนี่ยโถ่ เป็นนี่คู่พุ้งอาหารจะไปทําทั่วได้ไงเป็นนี่ญาติโยมไปไปถวายต้องข้าเสบะเจ้าปู่หลวเป็นนี่ก้อนข้าวเราจะเอาเราได้ชีวิตมาอย่างนี้เราจะไปทําทั่วได้ไงเป็นนี่เพื่อนเป็นนี่เพื่อนมิตรนอนตายอยู่สองปีไม่ได้ลงขึ้นมาถวัดเลยเพื่อนวาวายบางทีก็มา เอาคนป่วยก็จะตายมาตายตรงนี้เป็นมะเร็ง่อก็พูดให้เขาฟังว่อาอยู่ ơi! เอ้ยเวลานี้มีคนเชียเรานะเดินรำกองอยู่นี่แหะเถอะวเสาหัวใจไม่ต่ำกว่าโนนะ้ยกนอยู่นะต้องพอยู่นะอยู่นีบรรยากนก็เชียร์ี่อยู่นลเอาเล่ี่อยู่โยอย่ปกลัว ความแก่เก็บความตายไม่น่ากลัวเลยพี่อย no, no ูสู้เลยสู้เได้ยินไหมวันนั่งอยครับฮะผู้ใหญ่หูผู้ใหญหูผู้ใหญ่บรรเทาายจะไม่ได้นะเป็นโลกปวดอ่ะมาดิขียนปวดวันนี้อ่ะอายุค่อยเคียนะมีนักปฏิบัิเดินจ้กองยู่เนี่ยเต็มอยู่เนี่ยต้องเคียนพี่อยู่ได้ยิไหม เลยลุยเลยเลยุยเนะอย่าไปกลัวมันควแค่ควแค่ควตาอไปเลยนั่งกลัวเลยนะเราเชียร์เราอยู่เลยนี่คนที่ไม่ทุกขกความเจ็บก็แก่เพียงแต่ผู้เจ้าวัดธรรพระลานทั้หลายผู้ปฏิบัติธรรมทุกคนเขาไม่กลัวแล้วเราก็สงบลงเราฮะเราก็นิ่งเลยโคตรไปเชียร์เรแม้เราคิด ถึงเพื่อนเกี่ยวกับการสนสิงยังเทศสอนธรรมหอายถึงการต้มยังเทศการต้มการโน้มยงสิ่งที่สิ่งเดียวเป็นไล่ไหวยพรก็มาชวนกินอันนี้ก็ดีนะีกันนั่นให้บีกันนีล้งปลาก็ก้าออกให้หมดวรมือกับควาข้าข้าลูกต้นหัใจเราก็มีกำลังใจเสมอ ก็ดูแลเนาะพวกมี้แม่ทีเรียบร้อยจะยมเรียบร้อยพอส่งเรียบร้อยย้อนไปตื่นเลยไม่ตื่นเดีโอ้ยจะไปทุกข์ไปไหนมันมีเพื่อนมีมิตเนี่ยนี่เราเป็นผัวเป็นเมียกันเป็นพี่เป็นน้องเป็นลูกเป็นต่เป็นเพื่อนเนีป็นเลอะลากันลำบ่อยจับแขนกัเดินเคียงข้าวว่ิคนไหนหลงมามาไม่หลงคนใดคนไหนโกรธมาไม่โกรธคนใดโคนไหนทุกไปทุกคนเ้ย วัน น, นี้เกิดเมือนจะเป็นบรรยากาศที่ดีสร้างบรรยากาศมีสภาพที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเราผมมีธรรมะมันเหมะแต่การงานที่สุดเลยไม่ใช่จะไปนัป่งแบบพูดตลาอยู่ไหนเมาะทุกอย่างเลยนอนอยู่ก็อหินก็เป็นเพื่อนก้อนหินอันนี้ก็เป็นดินลูกเป็นดิน เห็นก็เป็นเลโอ้ดิ้นก็ดินอยู่เลยกันเอาเช่นดินนี่มันไม่ลูปนี่มันอาจจะสู้คนดิ้นไม่ได้กนะ็ดิ้นแตจะดีกว่าเราแต่รูกนี่อาจจะไม่ดีเหมือนกระดาษนะแล้วมาตายแล้วไปมันก็นอกไปไม่ประโยชน์ไม่ต้ <c oughs> ไนไม่นะ่ยอย่างประโยชน์มานั่งได้ต้อนเสาเนี่ยมันดีกว่าเราโอ้เป็นเพื่อนกันต้นว่า บางทีเราต้อนไปเราผูกไปนี่ก็เกาะจังลูกชายลูกสาวใชนไหก็นะ่จาจะสอนสาวขึ้นมานุ่สาว้น า, า, นาตัวไห น, น, นเสืนะอนก็เกาะจังเราเลี้ยงมาด้วยดยโอมีความสุขนะนี่เราเป็นเพื่อนเป็นสามีกันยาเ ท, ะ ท, ะ ท, ะทะ่ๆทํามเป็นกู๋กัน เราก้ต้ม้เรแล้วต้นไม้ดำที่ต้นอแต่เพนกันหมดหรือไหนกแก่ะมเจอนเลยเรานเสือกัื่นกันเนอเพื่อนเดินมื่อไหร่ลาขึ้นไปหัวใจตัวเสือตัวเดินันี้ป็ที่เนดเิ้จักักรู้หวหน้ก <statistic on Pre> โอ้ยพื่อนเออเสือต้มแอหลังหน่กับได้ขางด็กๆมันมองราอะไรอะไรอ๋อตอนแรกเี่ได้ขางแต่ก็ไม่มีอะไรพิษัยตรงเลยข้อคุณความเจ็บถ uh uh uh ้าม uh ันเจ็บมันก็ไม่ถูกต้องขอคุณความเสียถ้ม่นส่ก็ไม่ถูกข้คุณควาตายถ้าม่นตามก็ไม่ถูกต้องมันเกิดเจะเจ็บตายธรรมชาติา เราไปเห็นมันเอปบางทีบัดกรงมันดิรีดินะ้ะคุ้มค่าชีวิตที่พ่อแม่เลี้ยงมานะคุ้มค่าดำรงมีจะครั้หม่กเรถก้า อ, อกเสพ่อใสแม่เราดูพ่อถ้ามีพ่อแม่ละเมื่อนะลูกสาวของพ่อคนงสาวไม่เสียแค่ไม่เสียแค่งนะ่และ นมาพ้อกสาวของบอกลูกชายของพ่อของแม่ตกหน้าอกเสด็จลงนู่ให้ภูมิใจเจคิดขึ้นก่อนได้มานีโอ้ทำดีก็ได้ลนะความชั่วก็ได้วานก็ได้ทำอะไมได้ให้ได้สิทธิที่แบกมีที่จับมีที่หัวทำดีได้ทุกอย่างในโลกนะ่ะ ส่วนหนึ่งที่มันดียิ่งเรามาทําคนสุดยอดทูมนีคือไม่เป็นอะไรสุดยอดหมกขุดทำเขู่ถึงด้วยฝ่าไถกัดกว่าวันหลงโดไปสุดคมวันหลวันทุกโดดไปสูดคมมันจะได้ไก่ตัวนี้นะถ้ามันทุกข์ลมยแล้วะไม่กระโดดเหนเราตกกระไดกอดกะโจเหมอนเราได้หมูโตได้ไก่ วิกำลังตรนี้เนี่ยตึงมามันหลุดึโคตึงขึ้นาอย่าหลอกมันเสยรตัวนูนูจอด้ยมุด้วยาไทยไม่เก่งชนะทั้งโคทังโลกขงลงทุกมองลงมาโก็ไม่เสียชละมาอมันใจตัววห่ การยกของไปตัวพ่อนนตัวไปเขาลุกตัวมาเขากเต็งเขคิดถึงพ่อคิดถึงแมแ่พ่อแม่พาลูกเกิดมาเพื่อกาลนี้พ่อแม่ทำไม่ได้พ่ออาจจะทำไม่ได้แม่ จ, จะทำได้ลูกชายของแม่ทำได้ลูกสาวของพ่อของแม่ทำได้นี่คือค่าของคิดเหรอผู้มีตุกเขาจะมีไมู่ก เมื่อมีเกิดต้องมีไม่เกิดเมื่อมีเก่ต้องมีไม่เแ็่เมื่อมีเจ็บต้องมีไม่เจ็บเมื่อมีตายต้องมีไว้ตาสุดยอดหัวเกิดเจตายได้กันทุกคนถ้าตั้งต้นจากภาวะที่รู้เนี่ยเป็ยนอะไรจะไปตัวไปเลยวามเจ็บนะจับต้อ